201เมื่อภิกษุนั่งภิกษุณีนั่งใกล้หรือนอนใกล้ภิกษุต้องอบัตติปาจิตตีภิกษุและภิกษุณีทั้งสองนั่งใกล้หรือนอนใกล้กันภิกษุต้องอบัตติปาจิตตี